อ, าอ่านอายดูวันนี้เรื่องมันม็นมันแรกแล้ววันนี้ก็เป็นวันต้นในการจะเรียกรยกรมฐาน ความจริงวิธีแ น, นจะนําจะเจริญธรรมฐานนี่ว่ากับทุกนวดเนี่ยจําได้ไหมที่จำได้เราพูดทุกนวดถามน ท, นาทุกานก็อันนี้คือเรื่องธรรมดาวันนี้ขอพูดเรื่องมรณานึกติกรรมฐ า, านคือวันนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ความจริงการนึกถึงความตายเป็นของไม่ยากอยากไหม ไม่ยากนะความตายเรารู้ว่าคนทุกคนเกิดมาเพื่อตายทัพย์ทุกตัวเกิดมาเพื่อตายแต่เราไม่ได้กวนเราจะตายอย่างชนรูเป็นตนเนีย่ยแต่ความยิงเรื่องความตายในญยาติโยมคุณบริษัทเป็นของธรรมดาจริงๆ <c oughs> แต่ว่าที่เราไปคิดว่าจะตายก็เพราะว่ายัางประมาทในชีวิต ลืมคิดไปว่าสัตว์โลกทั้งหมดที่เกิดมาแล้วเท่าไหร่ตายหมดเท่านั้นแต่ว่าไอก่อนที่นึกถึงความตายได้ในตอนต้นตองฝึกอารมณ์เบื้องต้นก่อนใช่ไหมอารมณ์เบื้องต้นในการเองรมาทานทุกกองจะทําเหมือนกันนั่นก็คืออนาปานนติสมาทานสําหรับอนาปานนติรมฐานที่ไปยมฐานนี่มีความสําคัญมากใจจะไปสมาธิก็ดี ด้วยจะเป็นฌานสมาบัยก็ตาม <c oughs> ต้องอยู่ในขอบเขตของนาฬนานสติธรรมฐาน <c oughs> คําว่านานานสติหมายถึงลมหายใจเข้าออกคือว่านึกถึงลมหายใจเขาออ้านึกถึงลมหายใจออกอย่างวันนี้มีญาติโยมคนหนึ่งถึงถ้งจดหมามาถามอยากจะทราบกองลมใช่ไหมรู้จักกองลมไหมความจริงลมมันไม่มีกอง ถ้ากองก็ไม่ใช่ลมแน่ต้องเป็นวัตถุใช่ไหมคำว่ากองลงหมายถึงอนาพาเมติกบาลฐานรนดับแรกขอบวันดาเจ้าพุทธบริษัทให้รู้ลมหายใจเข้าใจออกเวลาหายใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าเวลาหายใจออกรู้อยู่หายใจออกเวลาหายใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ อย่างนี้เป็นพื้นฐานของความติดฐานาศูนย์แต่ความจริงเฉพาะลมใจเข้าใจออกนี่ก็มีความสําคัญธ์จะคิดว่าไม่มีคำภาวนาไม่ได้บุญความจริงไม่จึงบุญนั้นไม่ได้อยู่ที่คำภาวนาเฉยๆบุญอยู่ที่จิตเป็นสมาธิ <c oughs> ตอนนี้จิจิจะเป็นสมาธิได้ก็ต่อสายหนึ่งเวลานั้นต้องศีลบริสุทธิ์แล้วก็รายการที่สอง สา ม, มารถระงับมีวรในท้ทวกคราวถ้าสินไม่บรบิสุทธิ์สมาธิก็ไม่เกิดเนธรรมาธิอาจจะเกิดแต้เล็กน้อยถ้าหากว่านิวรหัตถการโคตรเก้ารบกวนใจสมาธิไม่เกิดเลยฉะงนั้นขอทุกคนเวลาที่จะเรินสมาธิก็จงหักข้ามใจอย่าคบมีวรคำวับคำาม่มีวรนี่จริงๆล้วห้ามมันไม่ได้ฆ่ามันไม่ตาย ก็ได้ไดเปลียนการยักยั้งทุกคราวคําว่านิวรณ์พระพุทธเจ้าทรงแปลว่ากิเลสยาที่ทํา m ัญญาให้ถอยหลังแล้วว่าในแบบดั้งสุตตัมโตจำแปลว่าคุณชาิกั้นความดีห่างไปอีกแล้วถ้มีอไหวในประธรมินตัณฏายดกบอกว่ากิเลสยาพิท ham ปัญญายถอยหลังได้จะหมายความว่าถ้านิวรณ์ครอบความผิดเวลาไหนเวลานั้นเราเป็นคนไร้ปัญญา <c oughs> เรื่อการเรียนกรมฐานประกอบด้วยกุณ ธ, ธรรมสามอย่างคือหนึ่งศีลบริสุทธิ์สสมาธิตั้งมัน่นสามปัญญาแจ่มใสสำหรับคำว่าปัญญาี่บรรดาญาโยมมุตบริษัทตต้องว่ากันเป็นขั้นตอนถ้าปัญญาของพระโสดาบันก็ดีพระสิทธาคามีก็ดีอย่างนี้ยังใช้ปัญญาไม่สูง ยังเป็นปัญญาขั้นต่ําเขามีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายเท่านั้นเองถ้าว่าในติกรรมฐานก็เป็นบารณานุติกรรมฐานแล้วพระโสดาบันก็ดีพระสิบิทาคารมีก็ดีใช้ปัญญาแค่นี้มีความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้ต้องตายคนก็ดีสัตว์ก็ดีที่เกิดมาในโลกนี้ต้องตายหมดเหมือนกันไม่มีใครเหลือถ้ามีธท่านีนะ ถ้าร่างาย ม, มีปัญญาก็ยาวกว่า น, นี้หน่อยนั่นคือมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายก็ยจริงแหละแต่ว่าเว่าขณะที่ยังไม่ตายเพียงใดร่างกายของคนและสัตว์เต็มด้วยความสกปรกโสโครมีความเบื่อหน่ายในร่างกายที่มีความสกปรกนี่เป็นพระาะนาคา ม, มีถ้าปัญญาก็ระหัน ก็มีความรู้สึกตัวร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตองเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรารวงความว่าพระโส ด, ดาปันยศพิทาคามีหนักเหนื่อยในมรณาต้อติกรรมฐานถานาคามีก็มีลมหนักแนละนิพิธา ย, ยันคือความเบื่อหน่ายถ้าพระอรหัต น, ใ น, ในต์จิตทรงอยู่ในด้านสังขารต้องเกิขายาย มีการบางขื่นในร่างกายทั้งหมดร่างกายเขาก็ดีร่างกายเขว่าดีเราไม่สนใจทั้งหมดเพื่เรียนรำพรหาหม์แต่วันนี้จะขอพูดนั้นปัญญาเปื้อยต้นจะพราะอารมณ์เขาเโสดาบันในสกิทาครารี ญ, ญาติโยม ท, ที่ยังไม่เป็นโสดาบันยังไม่เป็นสกิทาครารีก็ต้องใช้เหมือนกันใช้เพื่อความเป็นพระอเรียเจ้าที่ถ้าเอิเป็นพระอเรียเจ้าไม่ได้จะร้อง มีเวลานิติกำฐานไม่จำใจก็เป็นคนไม่ประมาทในการสร้างความดีในเมื่อจิตไม่ประมาทในการสร้างความดีแล้วก็สร้างความดีไว้เสมอในที่สุดถ้าจะตายแจากความเึ็คนอย่างน้อยก็เป็นเทวดาด้วยนางฟ้าพยานกลางก็ไปเป็นชมผ้าจิตใจไม่มยมร่างกายก็ไปนิพพานพอนนี้จบทุกอย่างเจริญโภค ไปก็เพราะว่าวถึงเมื่อต้นกองที่เราจะนึกถึงความตายได้ทรงตัวก็ต้องฝึกสติสัมปชัญญะสติคือการนึกได้สัมปชัญญะคือการรู้ตัวสติสัมปชัญญะตัวนี้ก็าไปฝึกรู้ลมหายใจเข้าออกเวลาเราถ้าเราต้องการจะรู้รลมไม่ใจเข้าจะ อ, ออกนึกว่าเวลานี้เราจะควบคุมลมหายใจเข้าออกตัวนึกตัวนี้เป็นสติ แต่ถ้ารู้ว่าเวลานี้ให้ใจเข้าเดินใจออกหายใจเข้ายาวเราสั้นกับเป็นต้นยาไม่เคยสำนึกยั้งโดยการรู้ตัวโดยการกำหนดรู้เราไม่ใจเขาออกเขาบรรดาลเจ้าพุทธบริษัทยาผิวไล่เกลื่อนไปการจริงการรู้ลมาล <c oughs> ลเข้าลมออกเป็นของไม่ยากแต่ว่าสติที่เข้าไปคุมลมเข้าลมออกเป็นยากเอาไปง่ายๆกันเลยเวลาหายใจเข้ารู้อย่หายใจเข้า หายใจออกรู้อยู่หายใจออกแต่การนี้เข้าไปรับรู้ลมหายใจเขาออกเขาบรรดาทาำปฏิบัติสัตว์ุงยาบรรคับลงหายใจ <c oughs> เพราะว่าถ้าจิตเริ่มเป็นสมาธิขึ้นลมหายใจจะเริ่มเบาลงถ้าจิตเข้าทิ้งฌาลสมาบัติลมหายใจจะเบาลงมากเกินของธรรมดาในบางท่านพอจิตเริ่มเป็นสมาธิลมหายใจเบาโล ก็มีความรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าลมหายใจเบาลงไปไม่ดีให้เรื่องหายใจให้แรงขึ้นอย่างนี้ใช่ไม่ได้การลมหายใจต้องปล่อยไปตามสภาพของร่างกายร่างกายใช้ใจแรงหรือเบาก็ตามหายใจยาวหรือสั้นก็ตามเป็นหน้าที่ของร่างกายเพียงแค่เราจิตเข้าไปรับทราบว่าเวลาที่หายใจเข้าหรือใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรืสั้นเป็นต้น ขณะใดทีด่จิตรู้ลงใจเข้าใจออกก็ดีรู้ใจเข้าใจเข้ายาวรู้สั้นออกยาวรู้สั้นก็ตามยานี้จิตเป็นสมาธิตั้งเรียกว่าสมาธินาน า, นาปานติกรรมฐานต่อไปได้ใช้ธรรมภาวนาด้วยและการเริยกรรมฐานญายยติโยมพระตริษัทนิยมใช้ธรรมภาวนาในการนิยมใช้ธรรมภาวนานี้ไม่ใช่ผิดไม่เรื่องโทษ แล้วคำภาวนานี่ยก่มีโยมไม่เสมอกันบางท่านนิยมภาวนาแบบนี้บางท่านิยมภาวนาแบบโน้นก็ถือว่าจะภาวนาก็ยังไงก็ตามอันดับแรกถือต้องเครื่องโยงจิตให้เป็นสมาธิเท่นั้นเหมือนกันเมื่อถ้าสมมติว่าบรรดาแต่พุทธบริษัทภาวนาก็พุทโธแต่ความจริงคำภาวนาเนี่คนรจะใช้สั้นๆ ถ้ายาวเกินไปจะยุ่งมากเกินไป จ, ะจะิตจะฟุ้งซ่านสมมติว่าภานาว่าพุทโธเวลาายใจเข้านึกตามว่าพุทไรใจออกนึกตามมาโธถ้าทรงคำภาวนาได้เล็กน้อยจิตก็เคลื่อนจิตไปรู้อลรมรมณ์อเือเข้ามาแทรกอย่างนี้จะเรียกว่าขานิกาสมาธิข้าว่อขานิกาแปลว่าเล็กน้อยมีสมาธิเล็กน้อยจิตก็เครื่องไปสู่อารมณ์อื่น ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเรารู้ตัวเวลานี้เราลืมคำภาวนาไปแล้วลืมลมหายใจเข้าออกไปแล้วเราก็เริ่มต้นใหม่จิตเข้าไปรับทราบลมหายใจเขา้เขาหาใ จ, ใจออกหายใจเข้านื้อพุทธใจออกกันว่นาโท่ข่าอารมณ์อย่างนี้ขณะใดทีด่จิตรู้ยู่ว่าลมหายใจเขา้าใจออกรกคำภาวนาก็ถือว่ามีสมาธิเรื่องลงมหายใจเข้าออกที่บรรดาเทพพุทธบริษัทไม่ใช่ของง่ายเกินไปยากเหมือนกัน บางทีเราคิดว่าก็จะทรงอารมณ์สมาธิแบบนี้สักห้านาทีคำว่าเวลาห้านาทีถ้าพูดกันเรารู้สึกว่ามันเวลาเร็วเกินแต่ว่าถ้าจิตจะเข้าไปทรงสมาธิห้านาทีนี่ไม่ใช่ของเล็กน้อยเพราะจิตของเราจริงกับนิวรณการครบหาสมาคกภณิวรณ์เขาจิตคบกันมาปเป็นอสงไขยกับเพรานิวรมีห้าราการหนึ่งกามาชันทะ พอใจในรูปสวยเสียเพราะรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเป็นต้นสองความไม่ชอบใจแล้วก็สามความล่วงเสียลมจิตฟุ้งร้านข้าสงสัยในผลการปฏิบัติอาการห้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกปนิวอนจิตก็เรามารักสวยรักงามมาทุกชาติ เกยสงขัยกับก็ดีถ้าได้เกิดมาปรลักส่วนราชการเป็นกันหมดทุกชาติเป็นขอธรรมดาถ้าสิ่งใดที่ทําให้เราไม่ชอบใจเราก็โกรธอันนี้ก็เป็นขอธรรมดาทุกคนมีมีกเลสแต่การต่อไปจิตชอบมั่วเวลาที่เราต้องการจะใช้งานไปจิตฟุ้งซ่านขนาดที่จะมาคัดติดให้ทรงตัวบางทีผลเกิดขึ้นจะมีความสงสัยว่าใช่หรือไม่ใช่กัไ่ไม่เป็น อ, อย่างนี้เป็ต้น าการดังห้า่อย่างนี้เป็นของธรรมดาของจิตอยู่ก็ผาสมาคมอุมมันนานฉะนั้นการอยู่ๆที่เราจะรังคับให้จิตสงบณงสมาธิโดยแค่ข้อปฏิวรเลยเป็นไปไม่ได้มันต้องมีบ้างเป็นของธรรมดาแล้วก็มีมากด้วยฉะนั้นเวลาที่ญาติโยมเขาจะไปสัตรรภาวนาก็ดีพิจารณาก็ตามหรือ ว, ว่ากำหนดลูล่ลมไว้ใจก็ออกก็ดีถ้ารุ่งซ่านไม่เกิดขึ้น บางครั้งมันจะบางผูงส้ส ร, ไไ <c oughs> าร้างจบังคับไม่ไหวเจ้าบังคับยังไงจิตก็มาอยู่ตามอารมณ์ยังไม่มีอยู่ถ้าอาการอย่างนี้เกิดขึ้นตามแบบฉบับขององค์สัจจะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีสองแบบอ า, ารมณ์ผู้สร้างเกิดขึ้นมีแบบหนึ่งไม่เคนเลิกเฉยอยาาฝืนในเมื่อไม่สามารถบังคับได้ถือว่าวันนี้เราต้องการแค่นี้ เวลาหลังได้จิตสบายเดินทำไม่เลิกเรือยจิตเดิไม่รุมแล้วก็รายการทีสอนแล้วบอกว่ามีแบบหนึ่งทำตนไมคนฝึกม้าตัวพะยศะตัวพยศ ม, ม้าพยศอย่หมายความเราจะบังคับให้ตามชอบใจเราไม่ได้ทันยายก็ตามที่มันจะหาทางออกน อ, อกเส้นทางเสมอแต่บอกว่าคนฝึกม้าตัวพะยศะเขาใช้วิธีทรมานม้าให้เคลีย นั่นคือถ้าบางครั้งมันทาตามที่เราต้องการไม่ได้แล้วก็กอดคอ ม, มันมันจะเวียงท่าไหน่ก็ไปปล่อยมันไปมือเราไม่ไ่ปล่อยคอไม่ก่ อ, อ ไ, มไม่ปล่อยคอมามัน่ึนไปสักพักเดียวสักพักเดียวมันก็ยันเลยมั่นอาการเหนื่อยเกิดขึ้นก็เลื่อนไปลบถ้อย่างไรปวดเครื่ง อ, องหลอดมันแหละเสียงก้องเกิดไปประเด็เราปุกกรรมฐานก็เช่นเดียวกัน การฝึกกรรมฐานถ้าลังเจิตฟุ้ง่านมากเกินไปไม่สามารถจะบังคับได้ก็ขอบรรดาท่านพุทธเวยสัตว์ปล่อยใจให้มอการชอบใจของมันมันจะคิดอะไรก็ตามไปคิดไปตามเรื่องอนนี้มัมาก็เคยใช้มันจะคิดจริงๆอย่างมากไม่เกิน15นาทีต่อไปเราไมเลิกคิดในเมืเ่อเลิกคิดจับคําจาับอนาปานุสติใหม่ ตอนนี้อารมณ์จะมีการทรงตัวละเอียดมากอารมณ์จะติงนี่งเป็นปกติจิตจะเป็นชาญสามามบัิฉะนั้นขอกราดาจึงบริศัททั้งริษจิตผู้สร้านจริงๆให้ใช้ใดทีสองอย่างใดอย่างหนงตามที่ท่านชอบถ้าบาังคับไม่ได้จริงๆก็เลิกเสียอย่าคืนบังคับต่อไปจะพุ่มโรษาษาคสมบัาิใจเกิด ทายวิธีหนึ่งถ้าม่อยากจะคิดบังค้าประโยชปลอ่อยจะคิดไปตามชอบใจไม่ฝืนสั่งคู่สักคคู่เดียวมันก็จะเลิกคิดมันก็มาตรประยศที่หมดแรงไม่เท่าเดียวกันอาจะตมาลงแล้วนะแต่ต้นลงมามีผลมากนี่เป็นสองวิธีตั้กแต่กรรมพุงสั่งในเมื่อสามารถรัสษารมอย่างนี้ได้คือคการเดินสมาธิ สมมติว่าบรรดาแ ต, ต่บริษัททำจริงๆใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงและในช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงนีถ้าจิตเป็นสมาธิจริงๆรวมแล้วห้านาทีกูจะพอใจตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตเป็นสมาธิห้านาทีมีผลไม่ไม่ใช่เล็กน้อยมีผลใหญ่และต่อมาเมื่อจิตเพื่อพอมีสมาธิบ้างก็หันไปจับหลักปฏิบัติกรรมาฐานโดยตรง การยิงฝึกสมาธินี่เกิดตรงเหมือนกันตรงไปตรงในการทรงอารมณ์ถ้าเราใช้แต่สมาธิการทรงอารมณ์เฉยๆแม้ว่าจะได้ฌานสี่ก็ตามฌานแก็ตามเราก็ไม่สามารถชนะอบายภูมิได้ยิ่งต้องปัดก็ไปหาอารมณ์ของประสูดาบันนิสิาคามีคือเมื่เรายังไม่เป็นก็ไม่แปลก ท่านทำแบบไหนแล้วก็ทําแบบนั้นอันดบบันแ บ, บแรกก็ว่าโสดาบัญญัติธรรมีเมื่อตื่นขึ้นมาตอนเช้าท่านจะมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าคนและสัตว์ทั้งโลกตายหมดเหมือนกันแต่มีความรู้สึกต่อไปว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเราจะไม่ประมาทในชีวิต ถ้ามีความรู้สึกว่าถ้าเกิดตายวันนี้จะมาเป็นเวลาไหนก็ตามเราไม่ยอมไปอบัยภูมิอย่างร้อยดีสุดก็จะเป็นจะเป็นเทวดาก็ได้เป็นปวงก็ได้ตามชอบใจแเมื่อคิดอย่างนี้แล้วจิตใจก็ไม่ประมาในการสร้างความดีเพรความตายมันเพื่อต้นเตือนใจความดีที่จะส่งไว้ก็คือคุณพระไตรปนาคมทั้งสามด้านการคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฺ าเรานึกถึงพระพุทธเจ้า ก, ก็ดีนึกถึงพระธรรมคําสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก, ก็ดีนึกถึงพระสองฆ์องค์ใดองค์หนึ่งก็ดีอย่างนี้ชื่อว่าเป็นมาหาภูษณ์อย่างยิ่งเหมือนกันหมดการนึกถึงพระพุทธเจ้า ก, ก็ตามพระธรรมก็ตามพระสงฆ์ก็ตามไปอนุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธามติกรรมฐาน นึกถึงแม่ทำคำสอนสอนเรา ส, ส, สมเด็จต ร, ระสัมมาธรรมปติจาวคำว่าประธรรมนี่นึกเอาเฉพาะที่เราชอบชอบใจทำหมวดไหนนึกถึงหมวดนั้นอย่างนี้ใช่ได้เป็นธรรมานุติกมรฐานสําหรับพระสงเราชอบใจตรงไหนนึกถึงตรงนั้นอย่างนี้เป็นสังขารนุติกรมรฐานในเออใมื่อจิตใจเขาบันดาลเป็นพระตัวบิสัทธนึกว่าวันนี้จะต้องตายตายหรือไม่ตายเราคิดไว้ก่อนเผื่อว่ามันจะตาย แล้วก็ใช้กําลังใหญ่เป็นเส้นเกอะนั่นคไม่ยอมไปไปผมนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีนึกถึงรพกกงระธรรมก็ดีนึกถึงพระอริยสงฆ์ดีถ้าคเามยงไม่จําเป็นมันก็ถึงสามอย่างก็ได้พอพอใจพระเจา้านึกถึงพระเจ้าอย่างเดียวก็ใช้ได้พอใจพระธรรมหรือพอใจพระสงฆ์นึกก็ตามชอบใจเอาตามชอบใจก็เลยกันสมมติว่าท่านหลายพอใจในพุทธเจา้าอาตมาก็อยากจะเป็นอย่างนั้นนะ แต่คนทุกคนพอใจในพุทธเจ้าอย่างยิ่งก็ถือว่าถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยเพราะว่าพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีจะมีขึ้นถึงเราได้เพราะอาศัยพุทธเจ้าเป็นเีุ่เป็นกายนี้ได้เกิองสมเดพระเรมนระโลกประเทศหรือพุทธเจา้จาก็มีอานิสงส์มากอย่างที่พุทธเจา้าทรงตัดว่าพุทโธปมาณโนคุณพระเจาา้าอาปมาณไม่ได้ ทำโมประมาณโนคุณของมาทำหาประมาณไม่ได้สังนคงประมาณโนผุณมของมาสงหาประมาณนี้ได้การนึกถึงชี่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวตาพิการและทุกเที่ยวบีมาอย่างมัตต์ภูรีที่ประมุขท่านตายจากความเป็นคนนด้กเกิดเ ป, ดป็นสตรประดาบนสวรรค์ท่านดามาถึงผีแก่ทันทีทันใดมีท้ามีมารทองคําม่มีนางฟ้าเป็นบริวารด้วย ทื่ท่านผูนี้ไม่เคยทําความดีในพุทธศาสนาเมา่ก่อนแต่ก็เป็นคนที่ไม่เคยไม่เคยทําความชั่วเหมือนกันแต่ตอนท้ายที่ท่านเสียตายมันนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวให้ดูรักษาโรคถ้เป็นยูวาดาได้ต้นแบอีกคนหนึ่งยิ่งไปกว่านั้นคือสุปฏิสิตาะที่ประวุฒิคนนี้มีความสําคัญมากเกิดมาคันตพระพุทธเจ้า แต่ว่ามือที่จะว่างไหวพุทธเจ้ากต่ไม่ดีมือไม่ว่างจะไหวพุทธเจ้าก็ดีจะนึกถึงพระธรรมก็ตามจะ่าวประสงค์ก็ตามอย่างนี้มือไม่ว่างไม่สามารถจะไหวได้ตองนี้เพราะอะไรเพราะเขาไม่เลื่อมใสในวไตรายธนาคมถ้าถามเรื่องความชั่วสุปฏิทักษ์จะบททำหมดทุกอย่างครอบถ้วนบริวูรณ์เรื่องความชั่วบัณฑิไม่ละบัณฑะไม่เว้น อย่างคนนี้เขาจะทําบุญกันแ ก, งแก้งเห็นแล้วแก้งทำไปไม่เห็นไปยินแล้วแกล้งทำไปไม่ได้ยินไปต้นนักหาทางแต่งแกล้งด้วย <c oughs> ในที่สุดในฐานะที่ส่างบาปขนาดนี้มีความชั่วกันไห้บาปนี้เป็นวัช่วดนะมีความชั่วขนาดนั้นแต่เวลาจะตายจริงๆทุกขเวทนาครอบใจเหนื่อยครอบงำกายมากมันปวดจนท่านทนไม่ไหว ก็นึกในใจว่าบุรก็ดีที่ดาพระฤกษพตามข่าผ้ายิ้นชายก็ดีเวลานี้อยู่ ใ, ใกล้ๆเราทุกคนเขาก็สงสารเราเห็นเรามีทุกขเวทนาแต่ไม่มีใครสามารถจะแบ่งเบาทุกขเวทนาได้เราก็าเจ็บปวดแต่ผู้เดียวตอนนั้นไปถ้านนึกถึงพระพุทธเจา้าเขาเลยว่าพระสวรรคโคตรใ น, นใจดีมากเมตตาไม่ระคา ทอานตั้ใจนึกถึงเมื่ อ, จอเจ้าหลวงขอพระเจ้ามาช่วยหายทุกเวทนาความจริงไม่ไม่เหนื่อยติความเนื่มใสต้องการให้มาช่วยแต่ก็ดีตายเวลานั้นก็ดีอาศัยวิจใจนึกถึ ง, ถงวุฒิเจ้าเป็นพุทธ า, านุสติกรรมฐานจะนึกถึงแบบไหนก็ตามไม่ไม่แต่เมตตาอย่างนี้จะเป็นพุทธ า, านุสติกรรมฐานตายจากความมีคนสุปฏิจิตตาที่บุตรไปเป็นเจ้าดาบนสวรรค์ชจนดาวดึงสตรีวโลก ม, มีมารทองคำไปทีอ่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารแต่อายไลที่เป็นมนุษย์มีความประมาทเป็นเทวาดาก็ประมาท ต, ตามเดิมหลงในความเป็นเทวดาคิดว่าเป็นเทวาดาจะไม่ไปไหนอีกต่อมาในเมื่อพระพุทธเจ้าประเด็ดประเทศตัวพระพุทธมารดาก็มีเทวาดาท่านหนึ่งตามบาลีเรียกว่าอาการปราชญ์ฤทธิ์บุตร ท่านเลี้ยรายกาศใทพบรรดาเทวดาต่างหลายทราบว่าเวลานี้พระพุทธเจ้า่าเทศี่บราารทุกขมพลสิลาอาขอเทวดานางฟ้าทุกุลไปต่าบุญปรมีพอถึงนี้ไ ม, ก ม, ม้ก็เทวดาอง์นี้จะ่อยเว่าพิมานเศร้าหมองเดือตามรทวดาเทวดาใจจดติเครื่องทิพซ่อมหมองเออหลายจะรักแร้อันนี้ต้องตายแน่ถ้าเห็นเครื่องทิพซ่อมหมองนั่งรอนในกรถามว่าใครเป็นเจ้าของพิมานนี้ เวลานี้ท่านจะตายภายในเจ็ดวันทําไมไม่สร้างบุญบารมีต่อสุปฏีติตาเทพบุตรเธอชั่วมาก่อนจิตชั่วจะความมนุษย์ความเบญจวัตถาก็ชั่วนอาศัยความประมาทไม่ได้ดูตัวไม่ดูเครื่องประดับพอก็เตือนแบบนั้นก็ดูเครื่องประดับก็ทราบว่าเราต้องตายแน่ก่อนที่จะตายเทวดามีความเป็นทิพของใจและกายก็อยากจะทราบว่าถ้าเราตายจากความเบญจวัตถาจะไปไหนต่อไป ก็ทราบถึงกรรมเก่าที่ทําไว้สมัยโดยมนุษย์ว่าจะสร้างบาปไปมากถ้าจุติเกเทวดาแล้วจะไปเกิดอาเวจีมานรกจากอเวจีแก็ไล่เบียมาทุกขุมก็สร้างบาปตัวเพศจากสัตว์นรกก็มาเป็นเฟยจากเฟยก็แปลสุรกายจากสุรกายก็มาเป็นสัตีฉานพอมาเป็นสตีฉานนี่นี่ลำบากมาก ต้องเกิดเป็นสัตว์ที่ตัวฆ่ามาแล้วกี่ประเภทประเภทได้กี่ตัวต้องเกิดเท่าชีวิตทั้นแห่งฆ่าต่อไปเึงการชดใช้กรรเดิมแล้วต่อมาไม่ชดใช้หมดแล้วก็จะไปเกิดเป็นแร้งห้าร้อยชาติเป็นกาห้าร้อยชาติเป็นสุนัขบ้าห้าร้อยชาติเป็เป็นสัตว์แถมจากแร้งกาห้าร้อยชาติมาแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ต้องเป็นมนุษย์ต้อยเปียกเป็นคนไหวห้าร้อชาติพระเศวตุกรมปานาธิบาย ต้องเป็นคนหหนวกห้าร้อยชาติเพราะฟัเสียงธรรมนักแกล้งทําไปไม่ได้ยินก็อเป็นคนตามบ่อนห้าร้อยชาติเองนะตะบุญลักแกล้งทำเป็นไม่เด้ยินก็จึงจะต้องเป็นคนบ้าห้าร้อยชาติก็ราะกิะนสุราดื่มเพื่อเสร็จเือห้อง ก, องกองรรมเรื่างสุาทำไม่ไดเมื่อทราบว่ากรรมหนักเกินถึงตัวแบบนี้ก็ตกใจก็ทําได้อาการสะใจว่าฉันมีกรรมขนาดนี้เธอช่วยได้ไหม นายการปราชร์ก็บอกว่าฉันก็เทวดาใครก็เทวดาช่วยไมได้คนที่ช่วยได้เคือที่เป็นนายเขาเรียกคอพเอ็นก็พาไปหาพระเอ็นพระเอ็ก็จะบอกว่าฉันเป็นนายจริงแต่ว่าฉันก็เทวดาเหมือนกันใครก็ช่วไปได้ถ้าพระพุทธเจ้าช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยได้ก็พาไปหาพระพุทธเจ้าเอ glaub, น็นรายงานกฎขุนคำให้พระพุทธเจ้าทราบพระเยริพุทธเจ้าจะทราบแล้วนะเราตามมาเปียบ เราพุทธเจ้าทราบอะไรก็ทงพิจาราว่าเวลานี้ถ้าเราเทศอภิธรรมจะควรแก่เทวดาองค์นี้ไหมก็ทรงทราบว่าแทศอภิธรรมจะไม่มีผลแก่เทวดาองค์นี้เลยต้องเปลี่ยนเรื่องเทศในองค์เสด็จพิชัยในส่สวนการสราบวัฏวิาเทศเรื่องนี้จบเทวดานี้จะเป็นบรรโสดาบันจะไม่ต้องไปลงมาใบภูมิจะเป็นเทวดาต่อไปถึงเรื่อทศสูตรนี้ว่าเทศจบท่านสมปติทิตาเทวดาก็เป็นบรรโสดาบัน เวลานี้ยังเป็นเทวดาอยู่เวลาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทขึ้นเจ้าก็ทำมาเทศบรรดาองค์สเด็พระบรมโูจะมีผลถ้าว่าบรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชนถ้าคิดว่ามันอาจความตายอาจจะมีขึ้นเรานึกถึงอะไรไม่ได้มันยากเป็นไปก็ น, นึกถึงพระพุทธเจา้าคําว่านึกถึงจะภาวนา ว, ว่ามุทโธหรือไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรใจยอมรับสักผีก็ใช้ได้ ถ้าไม่ทราบว่าพุทธเจา้าเป็นรูปร่างถลัดเป็นยังไงไม่ถึงพุธรูปองค์ใดหนึ่งก็ใช้ได้ถ้าจิตใจว่าดายพุทธสัจคิดพระพุทธเจ้จาเป็นอารมณ์คาว่าเป็นอารมณ์นี่ก็หมายความพูดได้นะคำาพูดได้คุยไปชาวบ้านได้ไม่ใชไม่ใช่านั่งภาวนาทั้งคืนทั้งวันเอเป็นเพียงว่าตื่นขึ้นมาเช้าตั้งใจยอมรับสถิตพระพุทธเจ้าเป็นความรู ถ้าทํางานทางการได้ไปตามปกติไม่มีคำว่าเราเล่นถึงพระเจา้าบ้างไปขอธรรมดาเพียงเท่านี้บรรดาแต่พุทธริสัตถ์หลายโดยทุนานาที่ว่าท่านมีพุทธาพุทธิกรรมฐานเป็นอ า, มนารมณมถ้าตายจากความเป็นคนอย่างมรรคปิฎกบรด า, บ น, ดาดบนสวรรค์ทัานดาวเรืองปิฎกโลกในกําลังใจท่านดาวเรืองปิฎกเมื่อร่างกายเป็นทุกเบื่อหในโลกไม่พอใจใ น, นร่างกาย มีเอาคิดว่าร่างกายเป็นโทษเป็นทุกข์อย่างนี้ถ้าเราเกิดว่ามีร่างกายอีกก็เป็นด้วยเราไม่ต้องการแล้ต้องการที่นิพพานคิดอย่างนี้ได้่อยไปวันละกันน้อยแล้วตั้งใจจับพระพุทธรูปเป็นอารมณ์แล้วตั้งใจนึจกถึงพระเจ้าเป็นอารมณ์อย่างนี้ถ้าเอถึเวลาตายจิตใจเห็นวาร่างกายมีทุกขเวทนามากไัอ่อยากเกิดต่อไปตายเวลาไหนาก็ปฏิบัติเวลานั้นอะไร บ, บันดาลพระพุทธบริษัตุตั้งในเวลาพอดี ตอนนี้ไปพระบรรดาจะพุทธไวสุขหลายตั้งใจสมาทานศีลสมาทานในกรรมฐาน <c oughs> อ น, นุเสียมันจะไปไม่รอดกัาน